เรื่องภิกษุเดินลุยสะบัวสามเรื่อง268สมัยนั้นภิกษุรูปหนึ่งเดินลุยสะบัวน้ำอสจิเคลื่อนท่านเกิดความกังวลใจว่าเราต้องอาบัตสังฆาทิเศตหรือนอจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ พ, พระองค์ตรัสว่าภิกษุเธอไม่มีความประสงค์จะทาน้าอสจิให้เคลื่อนไม่ต้องอาบัต วงเล็บเรื่องที่ห้าสิบเจ็ดสมัยนั้นภิกษุรูปหนึ่งมีความประสงค์จะทำน้ำอสุจิให้เคลื่อนจึงเดินลุยในสระบัวน้ำอสุจิเคลื่อนท่านเกิดความกังวลใจว่าเราต้องอาบัตรสังฆาทิเศษหรือหนอจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ พ, พระองค์ตรัสถามว่าภิกษุเธอคิดอย่างไรข้าพระพุทธเจ้ามีความประสงค์